ไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมเจ้าชายกุณาละก็เป็นทานองนี้เมื่อแรงแห่งอุศลกรรมช่วยอุ้มชูก็ไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้เมื่อแรงแห่งอคุศลกรรมจะให้ผลก็บัรดานให้เป็นไปแม้สิ่งที่ไม่คาดฝันคำวิสัชนาของสาสวรสษ์แต่โดยย่อทำให้พระราชาทรงปราโมท